ตัวน้ำคือรู้การทำงานของดินว่ามนันหนักรู้การทำงานของน้ำว่ามันเย็นเวลาลมพัดรู้การทำงานของลมาการเคลื่อนไหวรู้การทำงานของไฟคือความร้อนที่เกิดขึ้นความุบอุ่ที่เกิดขึ้นตัวรู้ที่เกิดรวมกันแล้วก็อากาศคือออกซิเจนเข้าไปประสาน ทั้งดินน้ำลมไฟเข้าด้วยกันออกมาเป็นตัวรู้ตัวนึกตัวคิดเลยวิญญาณธาตุสีสมพงกันก็ให้เกิดธาตุหก็ให้เกิดอีกสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นตัวทั้งสองธาตุคื อ, อวิญญาณธาตุนะแล้วก็อากาศธาตุจะทางานต่เมื่อมีการกระทบของธาตุทั้งสี่ ดินน้ำรวมไฟเพราะฉะันธาตุที่สมบูรณ์คือหกธาตุทั้งหเมื่อไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นเช่นเรานอนตายหรือนอนป่วยไม่รับรู้อะไรก็เหมือนมีแค่ธาตุสี่ดินน้ำรวมไฟแต่พอมีการเคลื่อนไหวมีการทำงานมีการกระทบก็เกิดธาตุหกแต่ธาตุทั้งหนี่อ่า จะมีพลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวรู้ของเราาะู้เข้าไปชัดๆถึงอาการดินน้ำโดมไฟนะและอาการทั้งสองอย่างนี้ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกสองอย่างท่าทั้งหกกอให้เกิดความรู้สึกสองอย่างคือความรู้สึกสบายแล้วก็รู้สึกไม่สบาย ความรู้สึกทางกายธาตุ ท, ทั้งหกก่ให้เกิดความรู้สึกสองอย่างคือความรู้สึกสบายและไม่สบายแล้วก็ทางใจก็ขอให้เกิดความรู้สึกสองอย่างคือชอบและไม่ชอบหรือพอใจหรือไม่พอใจมาค่อยค่อยขยายไปเรื่อยจากธาตุทั้งสี่มาเป็นธาตุหกจากธาตุทั้งหกอกมาเป็นธาตุรู้ ได้จากธาตุรู้แยกมาเป็นสองกิ่งกา้านคือี่เป็นสามคือความรู้สึกหนักหรือู้สึกเบารู้สึกเป็นกลางความรู้สึกเป็นกลางรู้สึกได้ตอนไหนความรู้สึกหนักตอนเมื่อเราเหยียบขึ้นความรู้สึกเบาแต่เมื่อเราหยุดระหว่างเราก้าวขาขึ้นก็นดีระหว่างเรายกขาขึ้นก็นดี ในช่วงตัวนั้นอะตัวเป็นกลางของความรู้สึกทางกายแต่ความรู้สึกทางใจนั้นถ้าเราใส่ใจรู้ใส่ใจรู้และไม่ได้ใส่ใจรู้ดังนั้นเมื่อเราศึกษาอย่างนี้แล้วเราก็ได้ทั้งศรัทธาคือการที่ความมุ่งมั่นในการขึ้น แล้วได้วิทยะคือตั้งใจทำด้วยความบากบันความภาคเพียนได้ทั้งสติก็คือเรามีการตามรู้แต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวได้ทั้งสมาธิก็คือการตั้งใจเพ่งไปที่กายที่ใจไม่ให้จิตใจวกแวกไปข้างนอก เป็นสมาธิและได้ทั้งปัญญาคือการกำหนดนับนะการกาหนดนับก้าบางคนก็ได้เลขตรงบางคนก็ได้เลขไม่ตรงบางคนก็ได้ถูกบางคนก็ได้ผิดตัวนั้นก็จะเป็นปัญญาเพราะนั้นเราก็พิสูจน์ถึงปัญญาว่าถ้าพวกเรา ยี่สิบถึงสามสิบคนนี่ว่าจะมีคนถูกตรงกันกี่คนอันนั้นคือปัญญาของแต่ละกลุ่มกลุ่มที่ถูกปันกลางหรือตัวเลขอญญาจจะพลาดไปตัวสองตัวและกลุ่มที่ไม่ถูกเลยพลาดไปเยอะกลุ่มที่ถูกที่สุดหมายความตัวเลขมันจะตรงกันหลายหลายคนตัวเลขตรงกันหลายคนถ้าเรายังไม่แน่ใจตอนกลับ เราก็จะได้นับลงไปถ้ามันตรงกันอีกครัง้งถึงเรากลับทั้งหมดอันนั้นก็คือตัวเลขที่ถูกที่สุดมันเป็นการฝึกทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นคือทำให้ถ้าเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยความรู้เหล่านี้ก็จะไม่เกิดเรียกว่ามันไม่มีกำลังไม่มีพระระละในซีทั้งห้า ถ้าาเราอยู่เฉยเฉยสทาวิยาสติสมัมธิปัญญาท่านนั้งเฉยเฉมันก็มีอยู่แต่กำลังไม่ปรากฏแต่พอเราเอามาสร้างเป็นกรรมคือการกระทาเรื่องากุศลกรรมที่เราทำให่เป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมกุศลกรรมก็เกิดกำลังขึ้นดังนั้นกุศลกรรมที่ประกอบด้วยสทาวิยาสติสมัมธิปัญญาจึงเป็นพระละ เป็นศรัทธาภละวิญญาภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละก็เกิดกําลังทั้งห้าขึ้นนะและกําลังทั้งห้านี้ก็จะทําให้เรามีกุศลเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันทีนี้มันก็สามารถแต่นาไปประยุกต์แอพพลายได้ชีพจําวันว่าเช่นว่าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ําห้องส้วม บางคนเดินไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้สร้างภาร ะ, ะทั้งห้าเดินดุม ๆ, ๆไปเข้าห้องน้ําก็เสร็จก็ลกลับออกมาดุมๆๆกลับมาคนนี้มีแต่อินรีห้าแต่ว่าไม่มีภาร ะ, ะคือไม่ได้ตั้งใจไปไม่พยายามที่จะรู้การไปและไม่ได้ตามรู้การไปไม่ได้ตั้งใจจดจอกกายกับใจและไม่ได้กําหนดรู้อาการที่เกิดขึ้นในกายในใจอย่างชัดเจนก็ ไม่มีภาระเพราะเราจะเห็นว่าแต่ละคนจึงแตกต่างกันมีความโง่ความฉลาดแตกต่างกันความก้าวหน้าความล้าหลังในการปฏิบัติแตกต่างกันมีความเข้มแข็งความมอนแอแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความแตกต่างกันก็คือเรือ่อกรรมมุนาวัวตติโลโกรกรรมมุนาวิวพัชน์เส ต, ติกรรมย่มจําแนกสัตว์ กรรมย่อมคือการกระทําที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยจะจำแนกความแตกต่างแต่ละคนเราถึงได้รู้ความแตกต่างของแต่ละคนด้วยการมีกุศลและอกุศลเป็นกรรมจาแนกถ้าคนที่ตั้งใจด้วยสติสตาวิริยะสติสมริปัญญาก็เป็นกําลังของกุศ ล, ลกรรมก็มีพลังคนไหนไม่ได้ตั้งใจทั้งสธาวิริยะสติสมริปัญญาอากุศลบ้าง เป็นกุศลกรรมนิดหน่อยแต่มีอกุศลมากบ้างหรือเป็นอกุศลหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกรรมสเตวิพัสติกรรมย่อมจําแนกสัตว์ก็หมายถึงว่าตัวเราจะใส่ใจในสิ่งการกระทําหรือไม่คือกรรมอันเป็นกุศลและกุศลอันนี้เป็นเหตุสําคัญว่ามนุษย์ หรือคนในโลกนี้ทําไมจะมีความแตกต่างกันในความสุขความทุกข์ความจนความรวยความโงค่ความฉลาดความสุขความสบายและไม่สบายเพราะว่าการกระทําของเขาเองเป็นตัวดนบันดาลไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผีสางนางไม้เทวดาอินพรมยมยักษ์หรือไม่ใช่ดวงชะตาราศีที่ในพุทธศาสนาทวากรรม จำแนกการกระทําเพราะฉะนั้นการที่เรานักปู่พุทธศาสนาเรายังไปบ่นบานศารกล่าวไปดูเมียดูหมอไปขึ้นทรงองค์เทพไปอขอโอน่นข อ, อนีนออนน่ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงยังเป็นชาวพราหมณ์ชาวศาสนาอื่นชาวพุทธที่แท้จริงก็จะใช้หลักของกรรมที่เป็นกุศลและกุศลมาบริหารจัด ก, การชีวิตไม่ได้ไปบ่นบานศารกล่าวไม่ได้ดูเมียดูหมอไปไ ป, ไปหาหมอ เมืม่อหมอมอไปหาโหราศาสตร์โหราจารย์ไปบนบานสารเก่าอินพรมยมราชจะไม่มีอย่างนั้นถ้าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงจะมาพิจารณากรรมของตนเป็นหลักว่าเราสิ่งที่เราพูดเราทําเราคิดนั้นถูกต้องหรือผิดพลาดสิ่งที่เราพูดเราทําเราคิดประกอบด้วยสภาวิริยาสติสมาธิปัญญาหรือไม่ประกอบชาพุทธก็จะพิจารณาในจุดนั้นเป็นหลักเพราะนั้นเองเราก็จึงมีการทดสอบ การปฏิบัติโดยเฉพาะช่วงเช้านี้เราทดสอบด้วยเป็นปรูปธรรมก็คือมีการบันทึกมีการบันทึกการกระทำด้วยว่าเรามีความถูกต้องแม่นยำแค่ไหนอย่างน้อยการกระทำนี้เราสำหรับคนที่สูงอายุก็ถือว่าเป็นการบริหารสมองไม่ให้เป็นโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เพราะว่าสมองได้ทางานที่เป็นระบบระบบระบบตลอดนะ ส่วนใหญ่คนแก่แล้วเลอะเรือนหลงลืมพูดมากเพราะว่าเลอะเรือนเพราะว่าไม่บริหารสมองนะทำไมคนแก่ขึ้นทำไมจึงพูดเพราะว่าเพราะว่าไม่ค่อยบริหารสมองสติสัมยาตก็อ่อนเสื่อมเมื่อสมองเสื่อมสติสัมยาเสื่อมก็ประสิทธิภาพของชีวิตก็ลดลงไม่มีพะละทั้งห้า น, นี่ถ้าหากคนไหนประกอบกรรมที่เป็นกุศลได้ตลอดนั่นหมายความว่าบริหารทั้งกายทั้งจิตยิ่งแก่ก็ยังมีคุณภาพยิ่งแก่มีสติสมัมปชัญญะดีมีปัญญาดีมีโคมความสงบเงียบดีไม่เลอะเทอะเลอะเลือนเพราะนั้นจึงมีผลต่อการบริหารชีวิตเป็นอย่างมากในการใช้อีซีห้าพละห้าบางคนยังไม่ทันแก่และเริ่มเลอะเลือนลไปที่ไหนก็พูดที่นั่นไปที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่น แต่บางคนนี่สงบเงียบเรียบร้อยสัมรวมระวังอย่างดีเรียกว่ามีอิีเข้มแข็งมีกรรมที่เป็นกุศลได้สร้างมามากกว่าอันั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อจะเป็นแนวทางการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปใช้ชีวิตประจำวันต่อไปเราจะต้องประกอบด้วยกรรมมันเป็นกุศลเราถือว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่แท้จริงจะต้องมีสมรยะเข้มแข็งปัญญาเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่หนุ่มจนแก่เรียกว่าเป็นชาวพูดแท้นังนั้นเองเราต้องปรารถนาในการที่จะช่วยตัวเราเองและผู้อื่นให้เป็นชาวพูธที่แท้เพราะมันจะนําไปสู่ความสงบและความสุขมากขึ้นถ้าเรามีชาติหน้าก็ไปชาติหน้าอีกอถ้าเราชาตินี้เราไม่ต้องการเกิดอีกแล้วก็จบในชาตินี้ได้นี่เรียกว่าประโยชน์นี่เขเรียกว่าปรมัทธประโยชน์ที่เราทำเนี่ยเป็นปรมามัทธประโยชน์นะ ก็จึงอยากจะให้พวกเราได้ตระหนักรู้ในการเข้าค่ายครั้งนี้เราไม่ใช่มากินมานอนมาเล่นผ่านไปวันวันแต่มาศึกษามาเรียนรู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าแต่ละวันเราได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรนะก็ต้องช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตนะตัวเราเองได้คุณภาพชีวิตแล้วก็ย่อมจะเป็นประโยชน์เพื่อกลุให้ผู้อื่นได้ด้วยนะ ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์อันนี้ด้วยข้าจึงอยากจะให้แต่ละคนมีกำลังใจในการศึกษาเพราะชีวิตนี้เบาบางมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็เจ็บอะไรนิดหน่อยก็ป่วยอะไรนิดหน่อยก็ไม่สบายเมื่อชีวิตนี้มันเต็มไปได้วยความเปล่ะบางเต็มไปได้วยความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลาเราก็ต้องบริหารจัดการมนอย่างถูกต้องถ้าปล่อยมันไปตาม ความอยากปล่อยไปตามความประมาทชีวิตนี้ก็ไร้ค่าไปเรื่อยๆนะชีวิตนี้ก็จะหมดค่าไปฉะ น, นั้นตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะต้องบริหารธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้ให้มีกำลังไม่ปล่อยโนปล่อยตัวไปตามความอยากหรือตามใจต้องรู้จักฝืนรู้จักข่มโดยที่พระพุทธเจ้าท่านให้ปิศาณธรรมว่าจะต้องรู้จักลอยถาดที่ทวนกระแส ถาของท่านในทวนกระแสหมายถึงว่าท่านตั้งใจที่จะกระทำไม่ทําตามใจไม่ทําอะไรตามใจไม่พูดอะไรตามใจไม่คิดอะไรตามใจไม่ทําอะไรตามใจในสิ่งที่เป็นอกุศลนะแต่เราจะทําตามกรรมที่เป็นกุศลคือมีการฝืนมีการขม่มมีการอดมีการทนมีการกลั้นนะมีการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทางด้านศีลสติปัญญานะอันนี้คือ ส่วนที่เราจะต้องทําความเข้าใจกันเรื่อยๆเพราะคนเราส่วนใหญ่มักจะประมาทและหลงลืมเป็นนิสัยถ้ามีอะไรกระตุ้นนิดกระตุ้นหน่อยก็พอได้สติขึ้นมาพอขาดอะไรมากระตุ้นเตือนก็ไปตามอารมณ์อีกอย่างเนี้ม น, นุษย์ก็ถึงพัฒนาช้าเราะเราทุกคนก็โชคดีที่มาพบ พ, พระพุศาสนาที่พระเจ้าท่านให้หลัก ปัญญามาบริหารชีวิตชีวิตเราก็จึงไม่ไม่ไร้ค่านะชีวิตเราก็เลยมีค่าขึ้นทุกวันโดยการเพิ่มค่าของชีวิตโดยการบริหารจัดการชีวิตโดยการใช้หลักของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคอยจำคอยระลึกอยู่เสมอว่าเรามีศรัทธาในกุศ ล, ลกรรมไหมมีความพยายามที่เป็นกุศลกรรมไหม มีสติที่เป็นสัมมาสติไหมมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิไหมมีปัญญาที่เป็นสัมมปัญญาไหมแล้วคอยตรวจสอบอยู่นี่เสมอๆชีวิตแล้วก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มความสงบเพิ่มความสุขขึ้นเรื่อยๆแต่สาหรับคนบางคนเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ไม่ได้จริงจังในพุทธศาสนา ไม่นับถือผู้ทธศาสนาอย่างถูกต้องนับถือพุทธศาสนาที่เป็นพราม์ที่เป็นผีมาก่อนก็ปล่อยให้ชีวิตเสียหายไปกับอกุศสรกรรมยาวนานกวัวจะมาพบกิริยามิตรตั้งตัวศึกษากุศสรธรรมได้ก็ใช้เวลาผ่านไปครึ่งค่อนชีวิตบางคนก็ชีวิตได้ชํารุดเสียหายไปแล้วมีความเจ็บป่วยความเลอะเลือนทางด้านสติปัญญาด้านสมองไปก็เยอะ โชคไม่ดีที่ได้ใช้ชีวิตครึ่งค่อนชีวิตไปกับสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมกลัวจะมาพบกิจกรรมที่เป็นกุศลกรรมกุศลจิตก็ชีวิตมาสู่บั้นปลายแล้วก็กู้คืนได้ยากบางคนก็ถึงกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ปกติแล้วหูเสื่อมตาเสื่อมแข่งขาร่างกายตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นเป็นวิบากไปเลยนั่นผลของเราที่ไม่ได้เกิดมาในแต่คุณที่เป็นสมาธิติ ไม่ได้เกิดมาสร้างกุศลกรรมอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เราต้องได้รับความทุกข์เมื่อตระหนักถึงกิจกรรมอันนี้เราก็ถึงมาปฏิบัติมาเข้าค่ายอบรมเมื่อมาเข้าค่ายอบรมแล้วเราก็มีการศึกษาและปฏิบัติอย่างถูกต้องเต็มที่อันนั้นในช่วงของการภาวนาที่นี่เรามีเวลาตอนนี้ประมาณหกมงเช้าจากหกโมงเช้าถึงแปดมงครึง่ง เราก็จะบริหารจัดการนะตัวนี้อีกห้านาทีหกโมงจากหกโมงเช้าไปถึงแปดโมงครึ่งก็เป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยทุกคนให้ไปแพลนหรือไปวางแผนในใจของตัวเองว่าเราจะบริหารเวลาที่นี่สองโมงครึ่งเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยให้เป็นประโยชน์สูงสุดด้ยการสร้างกุณลกรรมได้อย่างไร ถ้คนไหนเพล้ยไพลไปสร้างอากุสุลกรรมหลวงพ่อก็พยายามเตือนเช่นเพล้ไปนั่งพูดนั่งคุยกันเพล้ไปนั่งไปเล่นก็จะใหะ้แก้ไขนะตรนนี้เพื่อจะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของเราทรัพย์สินในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์รักษาผลประโยชน์ของแต่ละคนให้เข้มแข็งนะเพื่อเราจะได้ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งนี้ให้เป็นประโยชน์นะ เสร็จแล้วเราได้ทั้งหมดยี่สิบสามท่านทุกคนนะเราก็จะริ่มธรรมัช้าร่วมกัน